คติธรรมปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัญญาสัมปันโนจากหนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์เสนอตอนที่11พันศาที่8ปีพุทธศักราช2484จำพรรษาที่วัดป่าจากราชอำเภอจกราชจังหวัดนครราชสีมา หลุมตามหาบุญยาสัมปันโนได้ให้โอวาสถามไว้ว่าคนเราจะมีป่าช้าอยู่ประจำตัวทุกคนวันนี้สบายดีวันหน้าเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์นเป็นสื่อทางแห่งความตายอยู่แล้วเมื่อทุกข์มากๆทนไม่ไหวก็ต้องตายตายด้วยกันนั่นแหละไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์แต่ผู้ตายดีก็มีผู้ตายชั่วก็มีคนสร้างแต่ความชั่ว เวลามีชีวิตอยู่ก็สักแต่ว่าลมหายใจหาความหมายไม่ได้ในบุคคล น, นั้นแต่คนดีมีชีวิตอยู่ก็ชุ่มเย็นมีคุณค่ามีราคาตายไปแล้วก็มีคุณค่ามีราคาคุณงามความดีเราได้สร้างไว้แล้วถ้าเกิดในภพชาติใดหากมีความจำเป็นรึกถึงบุญบุญจะมาปรากฏในทันทีช่วยเหลือเราให้หลุดพ้นภัยไปโดยลาดับลาดานี้ท่านเรียกว่าบุญ หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนท่านได้เล่าประวัติของท่านในขณะที่จำพรรษาที่วัดป่าจกราดอังเภอจกราศจังหวัดนครราชสีมาไว้ว่าขณะที่ท่านจากกรุงเทพก็มาจากราศโคราชตอนแรกท่านเจ้าคุณราชกวีต่อมาเป็นสมเด็จพระมหาวีรวง์พิมพ์ธรรมธโรท่านได้เขียนจดหมายมาบอกเราว่าให้เรากลับไปกรุงเทพและสั่งวันนั้นวันนี้จะมารับเราก็ไม่กลับ เราได้จำพรรษาที่วัดป่าจักราชโคราชออกพรรษาแล้วท่านจึงมารับเรากลับคืนบังคับให้ขึ้นรถไฟไปพร้อมกับท่านด้วยท่านว่ามหาบัวต้องกลับกรุงเทพท่านพูดก็ยังไม่ทันได้จบประโยคก็เรายังไม่ตอบสักคำพอดีรถไฟกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีจกราชเราก็ได้โอกาสกระโดดลงพ้นตัวไปเรียกว่ารอดตัวออกมาปฏิบัติกรรมฐานทีแรกก็เร่งความเพียรทันที ทำทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมทํางานอะไรทั้งนั้นนอกจากงานสมาธิภาวนาเดินจงกรมอย่างเดียวตามประสาของคนล้มลุกคลุกคลานไม่นานจิตก็ได้รับความสงบลงได้นิสัยรามันจริงด้วยไม่ใช่เล่นเล่นถ้าปักลงตรงไหนแล้วต้องเป็นอย่างนั้นพอออปฏิบัติแล้วมีหนังสือปาฏิโมกข์พกอยู่เล่มเดียวเท่านั้นติดย่ามไปมอบกายถวายชีวิตต่ออัตตต่อธรรมได้ครอปฏิบัติอย่างไม่มีอะไรเหลือหลอเลย ตายก็ตายไปกับข้อปฏิบัติไม่ได้ตายด้วยความถอยหลังจิตมันปักลงเหมือนหินหักเอามาต่อกันได้สนิทไม่ได้อีกแล้ววัดตาจากราชยิ่งเป็นวัดที่ทรงบุญทรงคุณต่อเราอยู่มากเป็นที่เริ่มต้นเร่งความภาคความเพียรการออกจากกรุงเทพเรียกว่าขึ้นเวทีจกราชเป็นเวทีแรกหนักมากไม่เช่เล่นหนักในการฆ่ากิเลสเพราะฉะนั้น เราจรึงพูดไม่จืดไม่จางพูดเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนมีรสมีชาติในหัวใจตลอดไปความหนักในเรื่องความเพียรของเรานี้เริ่มพรรษาที่แดที่หนักมากหนักจนกระทั่งถึงที่ว่าเก้าปีเต็มหลวงตามหาบุว ญ, ญาสัมปันโนได้เล่าถึงความที่ท่านได้พบกัลยาณมิตรที่แท้จริงเอาไว้ว่าขณะที่เราพักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าจากราศ มีเพื่อนพระรูปหนึ่งชื่อว่าชำนาญตอนนี้ท่านเสียแล้วท่านเจงอยู่นะเจตนาท่านเป็นธรรมมากท่านพูดเป็นธรรมหน้าฟังเราไม่ลืมจนกระทั่งบัดนี้ท่านว่าบินธบาได้อาหารมานี้ที่จะจัดใส่บาตรอันไหนดีเจ้าของไม่เอาอันไหนดีต้องเอาไปแจกคนอื่นคนอื่นส่วนตัวเจ้าของแล้วแล้วแต่บุญแต่กรรมเพื่อนฝูงจะให้อะไรก็เอาส่วนบาตรเจ้าของไม่มองท่านพูดเป็นธรรมเราฝังลึกไม่ลืม ท่านองค์นี้อทิตฐาได้กลายเป็นพระาธาตุท่านเป็นธรรมอายุท่านเท่ากับเราตั้งใจออกปฏิบัติออกปฏิบัติทีแรกท่านภาวนาดีนะไปจำพรรษาที่อำเภอจักราชเราก็ออกจากกรุงเทพมาจำพรรษาท่านความเพียรดีจากนั้นมาท่านคิดอะไรก็ไม่รู้นะท่านกระตั้งใจภาวนาดีอยู่เวลาจะจากกันท่านบอกว่าคิดว่าจะกลับเรียนหนังสือสิก่อนเรียนหาอะไรผมก็เรียนมาแล้วเกินเป็นมหาจึงออกมาปฏิบัติ ท่านไปเรียนหาอะไรเราก็วายท่านอย่างนี้ก็อยากเรียนให้มันรู้ทั้งปริยัติรู้ทั้งปฏิบัติอันนี้ท่านก็รู้ปริยัติมาแล้วทั้งปฏิบัติกำลังปฏิบัติอยู่นี้มันก็พูดได้ละสิคนหนึ่งยังไม่เรียนยังไม่ได้ปล่อยท่านก็กลับเรียนจริงๆนะพอท่านได้เป็นมหาก็กลับเข้าป่าทันทีท่านเป็นธรรมนะเป็นเพื่อนกันเกิดปีเดียวกันออกปฏิบัติคราวนี้อาจจนกระทั่งอธิกลายเป็นพระชาติ หลวงตามหาบูยานสัมปันโนได้เล่าชี้ว่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าเรานอนภาวนาอยู่เกิดในมิตรแปลกประหลาดที่จักรากโคราดตอนนั้นจำได้ถนัดนอนภาวนาจิตรู้สึกมันสงบค่อยยุบย่อยุบย่อเข้าไปหดตัวเข้ามาเข้ามาสู่ความสงบแต่ไม่สงบมากนักพอสงบรู้ได้ว่าสงบปรากฏว่านตาปะขาคนหนึ่งเดินมายืนต่อหน้าประมาณสักวนหนึ่งเศษ อาประเขานั้นอายุประมาณสักห้าสิบหรืออย่างสูงก็ไม่เลยหกสิมีรูปรสณะพอดีทุกส่วนสัตว์พอดีทุกอย่างแต่ผิวพันณนั้นรู้สึกจะมีเนื้อค่อนข้างขาวพอมานั้นมาเยืยนตรงหน้าเราเราก็จ้องดูแลพอมองมาทางเราแล้วก็ก้มลงและนับข้อมือให้เราดูพอถึงข้อที่เกรู้สึกว่าหนักมือตรงนี้เขาก็เงยหน้าขึ้นมาดูเราแล้วบอกว่าเก้าปีสําเร็จธรรม พอจากนั้นจิตของเราก็ถอยออกมาจึงพิจารณาว่านี่เราก็บวชได้เจปีแล้วทําไมสําเร็จง่ายนักนะใช่หรือภาวนา9ปีสําเร็จมันก็ภาวนาเอาใหญ่เลยจะให้9ปีสําเร็จพอครบพรรษาที่9้าออกพรรษาแล้วจิตมันเจริญเสื่อมมันเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมอยู่อย่างนั้นสําเร็จได้ยังไงจิต ค, คนมันเป็นบ้าอยู่อย่างนี้เอาอะไรมาสําเร็จเอหรือจะเริ่มนับตั้งแต่9ปี ที่เราเริ่มออกปฏิบัติพรรษาที่8เป็นพรรษาแรกที่ออกปฏิบัติทีนี้พอมาถึงพรรษาสิหเอาสรุปเลยพอพรรษาที่หก่วงแล้วตอนนั้นปัญญาเป็นธรรมาจากอยู่นะเร่งเต็มที่ในขณะนั้นเรื่องความเพียรเป็นอัตโนมัติแล้วสติปัญญาในขั้นนั้นมันก็ยังไม่สําเร็จทําไมเรื่องนี้มิตที่มาบอกแสดงให้เราเห็นว่า9้าปีสําเร็จนั้นเราก็คาดมาแล้วผล ห, หนึ่งมันก็ผิดคาดหนที่สองนี้ 9กปีในการออกปฏิบัติก็นี่ออกพรรษาแล้วในวันนี้ยังไม่เห็นสําเร็จเลยแม้จิตจะละเอียดขนาดไหนก็ยังมีกิเลสอยู่จะเรียกว่าสําเร็จได้ยังไงคําว่าสําเร็จในนิมิตนั้นบอกคือสําเร็จถึงที่สุดของธรรมไม่ใช่จะสําเร็จธรรมดาขั้นนั้นคันนี้เองทำไมจึงเป็นอย่างนี้เราอุทานภายในใจทีนี้เราก็ชักไม่แน่ใจได้มีพระพวกเดียวกันอุบายของท่านดี เรานั้นได้ยกบูชาอุบายของท่านจนกระทั่งป่านนี้นิสัยเราไม่ลืมบุญคุณของใครเรื่องเห็นบุญเห็นคุณคนนี้ความกระตันยูนี้เราชัดอยู่ในใจของเราในราคุณคนไม่เป็นเป็นนิสัยกระตันยูกระตัเวทีฝังใจจริงๆพระเพื่อนองค์นี้เราก็เล่าให้ท่านฟังคือเก็บมาได้เก้าปีอันนี้ไม่บอกใครเลยวันนั้นหมดหวังจึงเล่าให้ท่านฟังว่านี่ท่านผมได้แบกนิมิต ที่ฟังไว้ภายในกิจนี้ได้เก้าปีแล้วผมจะเล่าเรื่องความเหลวไหลของผมให้ฟังแต่ผมพูดเฉพาะท่านนะท่านอย่าไปพูดให้ใครฟังผมเจ็บฟังไว้ในหัวใจนี้และเชื่อแน่ด้วยผมมันก็เหลวไหลเสียจนต้องมาเล่าเรื่องความเหลวไหลความโกหกของผมให้ฟังท่านก็บอกว่าเล่าสี่จะเป็นอะไรเราจึงเล่าไปตามเรื่องนิมิตรทั้งหมดให้ท่านฟังมันไม่ใช่อย่างนั้นท่านว่างั้นนะที่เราไม่ลืม คือคำว่าเ้าปีสําเร็จนี้9ปีนี้ตั้ง9ปีตั้งแต่ออกพรรษานี้ไปชมพรรษาหน้าทันว่าอย่างนี้นะตอนนี้ยังเป็นโอกาสของ9ปีอยู่เมื่อถึงเข้าพรรษาหน้าวันไหนก็วันนั้นแหละถึงจะหมดเขตของ9ปีนี้เอาอย่างนั้นหรือเราถามท่านก็ตอบว่าก็อย่างนั้นแหละถ้าจะตําหนินิดตัวเองก็ตําหนิดได้แต่เวลานี้อย่างไม่ควรตําหนิยังอยู่ในเกณฑ์ท่านย้ําว่าอย่างนั้นนะ เราก็หฮ้ว่างั้นหรือมีกำลังใจขึ้นอีกทั้งทั้งที่ใจก็หมุนติ้วอยู่แล้วละมันก็มาเพิ่มกำลังใจให้อีกฟาดเข้าไปอีกเอากันอย่างหนักเลยหลังจากที่เรา น, เนินนิดอยู่ที่จักราชโคราชเรื่องที่ตาประขาวบอกเก้าปีสำเร็จแล้วระยะต่อมาพระผู้ใหญ่พยายามจะให้กลับปรเรียนหนังสือที่กรุงเทพ อ, อีก และท่านก็เมตตาอุตส่าห์ตามมาสั่งแล้วก็เลยไปต่างจังหวัดขากลับท่านจะมารับให้ไปกรุงเทพกับท่านด้วยเราก็รู้สึกอึดอัดใจจากนั้นเราก็เดินทางมาจังหวัดอุดรธานีเพื่อตามหาท่านพระจารย์มัน่นใจที่มีความเจริญในทางด้านสมาธิก็ปรากฏว่าเสื่อมลงที่บ้านตาซึ่งเป็นบ้านเกิดของเราเองการที่เสื่อมทั้งนี้เนื่องจากทากฎขันหนึ่งเท่านั้นและการมาอยู่บ้านตายังไม่ถึงเดือนเต็ม จิตรู้สึกเข้าสมาธิไม่ค่อยสนิทดีเหมือนที่เคยเป็นมาบางครั้งเข้าสงบได้แต่บางครั้งเข้าไม่ได้พอเห็นช่างไม่ดีอย่าฝืนอยู่ต่อไปต้องขาดทุนเป็นแน่จึงรีบออกจากบ้านตากทันทีไม่ยอมอยู่ที่นั่นตอนนั้นสมาธิไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะแน่นปึงเลยทีเดียวแน่ใจว่ามรรคผลนิพพานมีแล้วเพราะจิตมันแน่นปึงไม่สะทกสะท้านกับสิ่งใดกับอะไรอีกต่อไปแม้ขนาดนั้น ก็ยังเสื่อมได้แค่เพียงทำกดหลังเดียวเท่านั้นเหลืงตามมหาบัวยนัสัมปันโนรือ เ, เล่าถึงประวัติของท่านในคราวที่ตามหาท่านพระจาร์มันเอาไว้ว่าการจากจังหวัดนครราชสีมามาจังหวัดอุดรธานีในคราวนี้จุดประสงค์ก็เพื่อจะมาให้ทันท่านพระจารมันซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าโนนิเวส จังหวัดอุดรธานีแต่ก็มาไม่ทันท่านเพราะท่านถูกนี่ยมนไปจังหวัดสกลนอครเสียก่อนจึงเลยไปพักอยู่ที่วัดทุ่งสว่างจังหวัดน้องคายประมาณสามเดือนกว่าพักอยู่กับท่านพระอาจารย์กูธร ม, มาินโนต้นปีพุทธศักราช2485วัดนั้นมันเป็นทุ่งกว้างขวางแถวนั้นมีแต่ทุ่งทุ่งนาล้อมรอบหมดวัดทุ่งสว่างก็เป็นเกาะท่ามกลางทุ่งนาท่านอาจารย์กู่ท่านอยากให้เราอยู่ด้วย ไม่อยากให้ไปที่ไหนขณะนั้นมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าสีนวนท่านมาจากบ้านนามน์ซึ่งเป็นสำนักของท่านพระจารย์มัน่นมาพักอยู่ที่วัดทุ่งสว่างจังหวัดน้องคายพบกับเราเราจรึงได้โอกาสถามท่านว่าทราบว่าท่านพระจารย์มั่นดุจริงๆจังๆใช่หรือไม่ท่านเด็ดมากดุมากใช่ไหมเราถามท่านท่านก็ตอบอย่างครึ้งขังว่าโอ้ยท่านไม่ต้องมาสงสัยละเรื่องเหล่านี้อย่าว่าแต่เด็ด อย่าว่าแต่ดุเลยพอไล่หนีจากวัดท่านก็ไล่หนีทันทีทางเราก็คึกคักหมายความว่าเอาตัวเจ้าของนี้เป็นพยานเลยจึงพูดกับตัวเองขึ้นมาในใจว่าตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเป็นเล็กพอรู้เดียงสาพทภาวะก็ได้ทราบกิตติศักดิ์กิตติคุณของท่านพระอาจารย์มั่นแล้วท่านจะดุจะดา่าจะว่ากล่า ว, วเรื่องเหตุผลกลไกอันใดให้เราได้ยินด้วยหูของเราเพราะว่า มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยท่านจะดุจะด่าว่ากล่าวหรือขับไล่ไล่ส่งใครต่อใครโดยหาเหตุผลไม่ได้ยิ่งย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาท่านในเร็วๆนี้ท่านจะว่ายังไงก็ให้เห็นต่อหน้าต่อตาถ้าท่านจะขับไล่เรานี่เป็นองค์หนึ่งละ่ะให้ท่านเห็นว่าขับไล่ด้วยเหตุผลกลไกอะไรด้วยหลักธรรมหลักวินัยข้อใด รูบาอาจารย์ถึงขนาดท่านพระอาจารย์มั่นนี้จะไปเที่ยวดูด่า่ากล่าวใครต่อใครด้วยอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งโลภะโทสะโมหะอากิเลสมาใช้มันย่อมเป็นไปไม่ได้ยังไงเราจะต้องไปให้เห็นด้วยตาเมื่อคิดพิจารณาอย่างนั้นแล้วจึงรีบบึงออกเดินทางไปหาท่านพระอาจารย์มั่นพอไปถึงก็โดนท่านดูเอาจริงๆแต่ว่าทาที่ท่านดุตรงไหนดุตรงไหนก็มีแต่เหตุแต่ผลและเป็นผลบวกทุกๆครั้ง